เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยรสัตว์ผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่8กรกดาวคมพุทธศักราช2552ตรงกับวันแรงหนึ่งข้มเดือน8เป็นวันพิเศษ เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานี้หมายถึงพระภิกษุจะอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งอารามใดาอารามหนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข่ำเดือน8คือในวันนี้จนถึงวันแรมหนึ่งข่ำเดือน11อ เรียกว่าหนึ่งพรรษาสามเดือนเป็นช่วงฤดูฝนเป็นพระพุทธบัญญัติเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเนื่องจากมีชาวนาวชาวไร่ได้รับความเดือดร้อนจากการจาราจกไปมาของพระภิกษุ ในเชื่องฤดูฝนซึ่งเป็นเชื่องฤดูที่มีการเพาะปลูกข้าวต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆเวลาพระภิกษุท่านจะลึกไปไหนมาไหนท่านก็จะเดินข้ามทุ่งข้ามนากันไปก็จะไปทำลายพืชต่างๆที่ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกเอาไว้จึงได้ไป กราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบหลังจากที่ได้ทรงทราบแล้วจึงได้บัญญัติคือกำหนดให้พระภิกษุในพระพุทธศาสนาทุกทุกรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อถึงวันแรมหนึ่งข้าเดือนแปให้ยุติการเดินทางการไปอยู่ไปพักที่อื่นไว้สามเดือนด้วยกัน ถ้าจะไปท่านการอนุญาตในกรณีที่ฉุกเฉินที่จำเป็นให้ไปได้ไม่เกิน7คืน 7. วันเช่นกรณีที่บิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยจำต้องไปดูแลรักษาท่านท่านการอนุญาตให้ไปได้ไม่เกิน7วันเจคืน ไปแล้วก็ต้องกลับมาหรือวัดมีมีมีเหตุจำเป็นต้องซ่อมแซมเกิดพายุฝนหรือทหรืออะไรทำให้กุฏินี้ไม่สามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยํำต้องมีการซ่อมแซมดูแลก็ลาไปหาวัสดุก่อสร้างเพื่อมาซ่อมแซมดูแลกุฏิได้ นี่คือเรื่องของการจำพรรษามีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมชีพอยู่และได้รักษากันมาจนถึงปัจจุบันจนเกิดธรรมเนียมการบวชในพรรษาคือชาวไทยเราที่เป็นชาวพุทธเมื่อมีอายุครบ20สิปีถ้าเป็นผู้ชาย ก็จะบวชหนึ่งพันษาเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณต่อลูกๆผู้ให้กำเนิดต่อลูกๆเพราะการบวชนี้บิดามารดาจะได้อา ศ, าศาัยเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์แต่สวรรค์ในที่นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า ผู้ที่ห่มจีวรแล้วไม่สามารถบินไปได้แต่สวรรค์นี้หมายถึงความสุขภายในใจใจนี่แหละที่เป็นสวรรค์หรือเป็นนรกใจนี่แหละที่เป็นเทพหรือเป็นมารไม่ได้อยู่ที่ไหนเวลาที่ลูกได้มาบวชอยู่ในวัดพ่อแม่ที่มีความผูกพันกับลูกๆ ก็ต้องมาวัดด้วยเมื่อมาวัดก็เลยได้ได้มีโอกาสได้มาทําบุญได้มารักษาศีลได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับเครื่องบินที่จะพาให้ไปสู่สวรรค์นั่นเองใจได้ทําบุญได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วใจก็จะมีความสุข จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือได้เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นบุตรที่ได้บวชให้กับบิดามารดาจึงเป็นเหมือนกับซื้อตัว๋วเครื่องบินให้กับบิดามารดาได้ไปสวรรค์ พรถ้าไม่ได้บวชบิดามารดาก็ไม่มีเหตุที่อยากจะมาวัดเพราะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องธรร ม, มาหากินมัวแต่ยุ่งกับเรื่องปัญหาต่างๆแต่พอลูกชายมาบวชใจก็มีความผูกพันก็ต้องมาเยี่ยมเยียนมาคอยดูแลเมื่อมาแล้วก็อย่างที่เห็นกันในวันนี้มานําอาหารข้าวหวานมาถวาย ให้ลูกชายให้กับพระแล้วก็เลยได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมได้ศึกษาได้รู้ว่านารกนั้นอยู่ที่ไหนสวรรค์นั้นอยู่ที่ไหนถ้าเราอยากจะหาสวรรค์เพราะคิดว่าอยู่บนท้องฟ้าหรือนรกคิดว่าอยู่ใต้ดินเราหาไปจนมันตายก็ไม่เจอนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย เขาจึงไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะเขาส่งเครื่องบินส่งยาณวากาศขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาก็ไม่เจอสวรรค์เขาส่งเรือลงไปใต้น้ําเขาก็ไม่เจอนรกเขาก็เลยคิดว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ความจริงนั้นนรกและสวรรค์นี้เป็นสถานภาพของจิตใจ คือถ้าใจมีความสุขเรียกว่าสวรรค์ถ้าใจมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนเรียกว่านรกความร้อนใจนี่แหละเป็นไฟนรกส่วนความความสงบของใจนี่เป็นเหมือนน้ำทิพย์ทำให้จิตใจมีความสุขสวรรค์และนรกจรึงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของสัตว์โลกทั้งหลาย และอยู่ที่สัตว์โลกเองว่าจะสร้างสวรรค์หรือจะสร้างนารกเพราะอยู่ที่การกระทาดังที่ได้ทรงตรัสสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจากทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ทำดีคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำให้ใจมีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีพูดดีทำดีคิดว่าจะมาทำบุญแล้วก็ชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาทาบุญแล้วก็นำกับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานข้าวของต่างๆมาถวายพระพอได้ทำแล้วใจก็มีความสุข จใจมีความสบายนี่ก็เป็นสวรรค์ลแล้วสวรรค์นี้ก็จะสะสมไปในใจของเราทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับเวลาที่เรานำเาเงินไปฝากไว้ในธนาคารเราก็นำไปฝากไว้ทีละเล็กทีละน้อยพอถึงเวลาที่เราจะเดินทางไปที่อื่นเราก็ไปเบิกก็เป็นเงินก้อนใหญ่ ฉัในใดบุญที่เราทำในแต่ละวันก็เป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารในแต่ละวันวันนี้ทำบุญก็ฝากบุญไว้ในธนาคารบุญอยู่ก้อนหนึ่งพรุ่งนี้ทำก็ได้อีกก้อนหนึ่งทำไปเรื่อยๆก็จะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ใจต้องออกเดินทางเพราะร่างกายนี้ไม่สามารถอยู่ต่อไปได้แล้วร่างกายหยุดหายใจเมื่อไหร่ ใจก็ต้องออกเดินทางใจก็จะมีบุญนี้เป็นเหมือนเงินติดตัวไปผู้ที่มีบุญไปติดตัวไปก็ไปอย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่ไปทุกข์ยากลำบากส่วนผู้ที่ทำบาปทำกรรมก็เหมือนกับไปเกาะไปกู้หนี้ยืมสินมาทำวันนี้ทำบาปวันนี้ก็เป็นหนี้ไว้หนึ่งหนึ่งก้อนทำบาปพรุ่งนี้ก็ ทำเป็นนี่ไว้เองหนึ่งส่วนทำาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นนี่ก้อนใหญ่พอถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปก็จะต้องเอานี่ก้อนใหญ่ติดตัวไปด้วยถ้านี่ใหญ่มากก็ต้องไปตกนรกถ้านี่ไม่ใหญ่ก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างเพราะเป็นผลที่เกิดจากการกระทําของ ใจของแต่ละดวงไม่มีใครที่จะมาห้ามผลที่เกิดจากการกระทําของใจได้เพราะเป็นกฎตายตัวเหมือนกับปลูกต้นไม้แล้วจะไปห้ามไม่ให้ต้นไม้เจริญงอกงามไม่ให้ออ ก, ออกดอกออกผลไม่ได้เมื่อมีเหตุมีปัจจัยทําให้ต้นไม้นี้เจริญเติบโตและออกดอกออกผล เขาก็จะออกดอกออกผลไปตามเรื่องของเขาไม่มีใครที่จะไปหยุดยั้งเขาได้ฉันใดวิบากรรมคือสวรรค์หรือนรกการได้ไปเกิดในสุขคติหรือเกิดในทุกขคตินี้ก็อยู่ที่กรรมการกระทำของสว์โลกนั่นเองการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระทำทางวาจาเรียกว่าวิวจีกรรมและการกระทาทางใจเรียกว่ามาโนกรรมในบรรดากรรมทั้งสานี้กรรมที่สำคัญที่สุดก็คือมโนกรรมเพราะการกระทำของใจนี้เป็นต้นส่วนการกระทำทางกายทางวาจานี้เป็นปลายหมายความว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรได้ก่อนที่เราจะทำอะไรได้ ใจต้องสั่งก่อนใจต้องคิดก่อนอย่างวันนี้เราคิดกันมาก่อนแล้วว่าจะมาวัดกันถ้าไม่ได้คิดมาวัดก็จะไม่ได้มาวัดถ้าคิดว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะไปตามคตามความคิดของใจใจจึงคิดได้สองสามอย่างด้วยกันคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดแบบกลางๆ ก, ก็ได้คือไม่ดีไม่ชัว่ว ดังนั้นเราต้องคอยดูความคิดของเราว่าเรากำลังคิดไปในทางใดถ้าเราไม่รู้ว่าความคิดของเราไปในทิศทางใดเราก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมถ้าเราคิดไปในทางทาบาปทำกรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่ดีคิดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเ ม, มาเล่นการพนัน เที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตมีความคิดแต่เนื่องความเกลียดคร้านความคิดเหล่านี้เป็นความคิดที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมความเสียความทุกข์ความวุ่นวายถ้าเราคิดอย่างนี้ขอให้เรารีบตัดความคิดเหล่านี้เสียหรืออย่าไปทําตามเช่นคิดอยากจะลักทรัพย์ของผู้อื่นก็อย่าไปทําขอให้เราคิดถึงผล คือวิบากกรรมที่จะตามมาว่าจะต้องไปเกิดเป็นเดรฉ า, านบ้างสุนัขพวกสุนัขนี่เขาก็ต้องรักขโมยอยู่ทุกวันข้าวของที่ไหนที่วางไว้ถ้าเจ้าของเผลอเขาก็จะคว้าไปเลยนี่เป็นนิสัยของเดรฉ า, านเดรฉ า, านก็คือผู้ที่ไม่มีศีลนั่นเองผู้ที่ยังชอบ การลักเล็กขโมยน้อยอยู่เรายึงควรคำนึงถึงวิบาทที่จะตามมาอย่าไปเห็นแก่ได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆเงินทองไม่กี่บาทไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องไปเกิดเป็นเดราชานอย่ามีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพระพุทธการเป็นคนที่ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ ไม่เชื่อเรื่องเวียนวหายตายเกิดเวลามีเงินมีทองได้เงินทองมาก็เก็บเอาไว้ไม่บอกใครและการหาเงินหาทองก็ไม่คำนึงว่าจะผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ถ้าโกงได้ก็โกงถ้าขโมยได้ก็จะขโมยพอได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนแม้แต่ลูกๆ ก, ก็ไม่บอกว่าเงินทองนั้นเก็บไว้ที่ไหน เอาไปฝังดินไว้หมดพอเวลาตายไปก็กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเนื่องจากมีความห่วงใหญ่มีความผูกพันกับเงินทองที่ตนเองได้ฝังเก็บเอาไว้แต่เมื่อมาเกิดเป็นสุนัข ก, ก็ไม่สามารถบอกลูกๆได้ว่าเงินทองนั้นอยู่ที่ไหนไม่สามารถบอกว่าตอนนี้เป็นพ่อของลูกๆได้ เพราะลูกๆเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขแล้วอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จผ่านมาทรงเห็นสุนัขตัวนี้ก็ทรงทราบว่าเป็นเจ้าของบ้านเป็นเศรษฐีท่านจึงบอกลูกๆว่าสุนัขตัวนี้เคยเป็นพ่อของพวกเธอมาก่อนแต่ตอนนี้ต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเพราะได้ทาบาปทากรรมมาไวในชาติก่อน จึงไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. เธอจงเลี้ยงสุนัขตัวนี้ไว้ให้ดีเถิดแล้วสักวันหนึ่งเขาจะพาไปขุดคุ้ยสมบัติที่พ่อของพวกเธอได้เก็บเอาไว้ mm hmm. พวกพวกลูกๆ ก, ก, ก็เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. ก็เลี้ยงดูสุนัขไว้อย่างดีสุนัข ก, ก็แปรก็พาไปขุดสมบัติที่ได้ฝังเอาไว้ จนทําให้ลูกๆนี้เกิดความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเกิดการเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์จึงตั้งใจทําบุญให้ทานตั้งแต่นั้นมานี่คือความจริงที่พวกเราไม่สามารถพิสูจน์กันได้ด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะ เราไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีธรรมจักสุที่จะสามารถเห็นดวงจิตดวงใจเห็นดวงวิญญาณของพวกเราได้เราคิดว่าตัวเรานี้เป็นเพียงแต่ร่างกายนี้เท่านั้นแต่ความจริงแล้วตัวเรานั้นไม่ใช่ร่างกายตัวเรานั้นอยู่ที่ใจไปกับใจใจนี้เวลาร่างกายตายไปแล้วใจก็ออกจากร่างไป เราก็เรียกใจว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่แหละที่จะไปเกิดต่อจะไปหาร่างใหม่จะไปหาร่างของเทพก็ได้ร่างของพรหมก็ได้ร่างของมนุษย์ก็ได้ร่างของเดรัจฉานก็ได้ร่างของเปรตก็ได้อยู่ที่บุญกรรมที่ทำเอาไว้ถ้าทําบุญก็จะได้ร่างของ มนุษย์บ้างได้ของเทพบ้างได้ของพรหมบ้างได้ของพระอริยะเจ้าบ้างถ้าทำบาปไว้ก็ต้องไปได้ร่างของเดราาัจฉานร่างของเป็นหรือไปตกนรกนี่เป็นความจริงที่ตายตัวจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าทำแล้วผลจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่ เราควรที่จะระมัดระวังเรื่องการกระทำของเราขอให้เราทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้สาประการคือให้ทําแต่บุญสองให้ละบาปอย่าทําบาปสามให้ตัดความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นตัวที่ไปให้ให้เราไปทําบาปทำกรรม ให้เราต้องไปไปเวียนไหว้ตายเกิดทำบุญอย่างเดียวไม่พอละบาปอย่างเดียวไม่พอต้องชาระใจด้วยต้องตัดกิเลสด้วยตัดความโลภความโกรธความหลงเราอาจจะคิดว่าคนเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้อย่างไรเพราะเราอยู่กับความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลา แต่มีคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและท่านก็อยู่อย่างมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ทํานํามาซึ่งความสุขความอิ่มความพอแต่กลับจะนํามาซึ่งความทุกข์เช่นเราอยากได้อะไรเราโลภอยากมีเงินมีทองอยากมีสมบัติ ต่างๆแล้วเราไปหามาพอเราได้มาแล้วเราเป็นอย่างไรเรามีความสุขไหมหรือเราต้องมาทุกข์กับสมบัติที่เราหามาเราต้องมาทุกข์กับคนที่เราได้มาได้สามีได้ภรรยามาก็ต้องมาทุกข์กับเขาต้องมาห่วงต้องมากังวลต้องมาห่วงต้องมาร้องห่มร้องไห้เวลาที่เขาจากเราไป ได้ลูกมาก็เช่นเดียวกันได้อะไรมาก็ร้วนมีความทุกข์แท้มาด้วยทั้งนั้นไม่มีไม่ได้แต่ความสุขอย่างเดียวความสุขนี้เป็นส่วนย่อยความสุขนี้เป็นเหมือนส่วนที่เป็นน้ำตาลส่วนความทุกข์นี้เป็นเหมือนกับที่ส่วนที่เป็นยาขมชีวิตของเราถ้าดำเนินตามความโลภความโกรธความหลงก็ เ, เหมือนกับได้ยาขมเคลือบน้าตาลมา หวานพิมเดี่ยวเดียวเวลาแต่างงานกันใหม่ๆก็มีความสุขเดี๋ยวเดียวพอม้อข้าวไม่ทันดำก็ทะเลาะกันแล้วจะตีจากกันแล้วเพราะนี่เป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราใช้ปัญญา เวลาเราอยากจะได้อะไรขอให้เราคิดถึงส่วนที่เป็นส่วนไม่ดีบ้างเช่นเราได้คนนี้มาเป็นสามีได้เป็นภรรยาเราเขาอาจจะดีเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเพราะเขามีนิสัยเดิมติดตัวเขามาอยู่ถ้าเขาชอบเดิมสุราเขาก็จะไปเดิมสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะไปเล่นการพนัน พอเขาเปลี่ยนไปแล้วเราก็จะเสียใจเราคิดว่าเราได้พระมาเราคิดว่าได้พระเอกมาทำไปทามากลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วเป็นพระเอกได้ไม่กี่วันเป็นนางเอกได้ไม่กี่วันก็กลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วเพราะนี่เป็นความจริงของมนุษย์เรามนุษย์เราทุกคนยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงอยู่ด้วยการทุกคน ถ้าเราอยากจะแต่งงานกับคนดีก็ต้องแต่งกับพระแต่พระเขาก็ไม่แต่งกับใครพระเขาเห็นว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับใครแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์ตามมาพระแท้จึงไม่แต่งงานกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ยุ่งเกี่ยวอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นพระแท้เรียกว่าเป็นพระปลอมอยู่ปลอมมาบวชกันบ้างมาบวชแล้วก็จิตใจก็ยังมีความโลภมีความอยาก อยู่ถ้าเป็นพระแท้แล้วท่านจะปฏิบัติท่านจะรักษาสิ่งท่านจะปฏิบัติสมาธิปัญญาชำระความโลภความโกรธความหลงจนไม่มีหลงเหลืออยู่ถึงจะเป็นพระแท้ขึ้นมาพระที่เพิ่งบวชวันสองวันนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นพระแท้เรียกว่าเป็นพระสมมุติคือเราสมมุติว่าท่านเป็นพระ พราะท่านได้นุ่งนุงเหลืองห่มเหลืองได้โกงศรีรษะแต่ใจของท่านนั้นยังมีความโลภความอยากมีกิเลสตัณหาอยู่เพราะการบวชนี้ไม่ได้ฆ่ากิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้ตายไปทันทีหลังจากที่ออกมาจากบวชแล้วหลังจากที่โกนหัวผมผ้าเหลืองแล้วกิเลสยังไม่ตายไปกิเลสก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้โกนหัวยังไม่ได้ผมผ้าเหลืองอยู่ แต่ตอยู่ที่ว่าเมื่อโกนหัวหวมผ้าเหลืองแล้วถ้าตั้งใจมาชำระมาปฏิบัติกิเลสก็จะตายได้และการบวชนี่แหละเป็นวิธีที่จะทำลายกิเลสได้ดีที่สุดเพราะเป็นนักบวชแล้วก็ไม่ต้องมีภาระต้องไปกังวลกับเรื่องการทามาหากินไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องราวต่างๆ มีเวลาที่จะต่อสู้ชำระกิเลสได้อย่างเต็มที่ถ้าตั้งใจบวชตั้งใจศึกษาล่าเรียนตั้งใจปฏิบัติมีความเข่งคัดอย่างที่พระอริยสงฆ์ท่านเป็นกันคือเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีเป็นอุชุ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการหยุดพ้นจากความทุกข์สามีจิ ปฏิบัติชอบถ้าไปแต่พาดปฏิบัติได้ทั้งสี่ประการนี้แล้วก็จะเป็นพระแท้ขึ้นมาเป็นพระจริงขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์ที่เป็นสระณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายได้นี่คือเรื่องของของการมาบวชของการจำคำสาอยู่ตรงนี้เป้าหมายของการบวชก็เพื่อมา ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเพื่อจะได้มีแต่ความสุขไปตลอดไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปส่วนญาติโยมก็ถือว่าเกาะชายผ้าเหลืองของผู้ที่มาบวชเป็นผู้เป็นญาติสนิทนิสหายหรือเป็นลูกพอเข้ามาบวชเราก็จะได้มาวัด มาดูแลมาอุปถัมภ์อุปถานเมื่อเราได้ดูแลได้มาวัดเราก็จะได้บุญได้กุศลได้ปัญญาได้รู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรกับชีวิตของเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนทิศทางการดำเนินชีวิตของเราเราเคยเราเคยโลภเคยอยากกับสิ่งต่างๆเราก็ตัดให้มันน้อยลงไป เช่นในพรรษาเราเคยดื่มสุราเราก็ตัดมันไปเราเคยเที่ยวกลางคืนเราก็ตัดมันไปเราเคยเล่นการพนันเราก็ตัดมันไปถ้าเราตัดไปแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่ดีขึ้นเวลาไม่ดื่มสุราแล้วจิตใจก็สบายร่างกายก็สบายเงินทองก็ไม่สูญเสียสติสตังก็ดี การเดินโซลานี้มีแต่เสียการเล่นการพนันก็ในที่สุดก็มีแต่เสียการเล่นการพนันนี้ท่านแสดงไว้ว่าร้ายแรงยิ่งกว่าโจรเข้าบ้านเสียอีกโจรเข้าบ้านก็เอาไปได้แต่บ้านเท่านั้นเอาได้แต่ของเท่านั้นแต่บ้านยังเอาไปไม่ได้ไฟไหม้นี่ก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการเล่นการพนันเพราะไฟไหม้ก็ไม่แตะได้แต่เข้าของกับบ้านเท่านั้น แต่ไม่สามารถไม่ที่ดินได้ที่ดินก็ยังมีอยู่แต่การเล่นการพ น, น, นันนี้มันเสียหมดได้เวลาเสียแล้วก็เอาเข้าวของไปขายเพื่อจะเอาเงินไปเล่นต่อพอหมดแล้วก็ขายบ้านพอขายบ้านแล้วก็ขายที่ดินด้วยขายไปหมดแล้วดีไม่ดีต้องขายชีวิตของตนด้วยเพราะเมื่อไปกู้หนี้ยืมสินแล้วไม่สามารถใช้เขาได้ เขาก็จะตมาตามถ่วงนี้ไม่มีหนี้คือไม่มีเงินคืนเขาเขาก็จะฆ่า น, นี่คือโทษของการเล่นการพนันโทษของอบายมุกต่างๆที่เกิดจากความโลภความอยากของใจนั่นเองถ้าเราตัดความโลภความอยากได้แล้วมันก็หมดปัญหาสิ่งเหล่านี้มันไม่มีความจําเป็นต่อชีวิตของเรามันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่อย่างใด แต่มันกลับทําให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเราเคยดําเนินอะไรที่ไม่ดีขอให้เราตัดมันไปเราเคยเป็นคนโลภโมโทสังก็ขอให้ตัดมันไปเวลาใครทําอะไรให้เรามไม่พอใจก็ให้เราให้อภัยยกโทษให้กับเขาแล้วเราจะเป็น คนดีเราจะเป็นพระเราจะเป็นเทพถ้าเราโกรธแล้วเราไปทำร้ายเขาเราก็จะกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปเราก็เดีวเหมือนกับเขาถ้าเขาทำให้เราพูดอะไรไม่ดีหรือทำอะไรไม่ดีกับเราแล้วเราไปทำร้ายเขาเราก็พอๆกับเขานั่นแหละถ้าเราอยากจะรักษาความดีอยากจะรักษาสวรรค์คือความสุขใจเราต้องให้อภัย พะเมื่อเราให้อภัยแล้วใจของเราก็จะเย็นความโกรีความมาฆาตปยาบาทก็หายไปนี่เรื่องของการมาวัดในวันเข้าพรรษานี้เรามาเพื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรื่องที่ดีเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เรานําเอาไปปฏิบัติทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนทำในส่วนที่ง่ายก่อน อันไหนทำได้ง่ายก็ทำไปรักษาสิ่งข้อไหนได้ก็รักษาไปไม่ต้องรักษาทั้งห้าข้อเลยทีเดียวก็ได้ข้อใดข้อหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปจากหนึ่งข้อเป็นสองข้อเป็นสามข้ออบายามุขส่วนไหนที่เราพอจะลดได้ละได้ก็ขอให้ลดไปละไปความดีที่เราทำได้ก็ขอให้เราทำเช่นใส่บาตได้ทุกวันก็ใส่ไป วันพระมาอยู่จำศีลได้ก็มาอยู่บ้านตอนเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิได้ก็ทำไปสิ่งเหล่านี้ถ้าเราค่อยๆทำไปแล้วต่อไปมันก็จะงา่ายและเราจะทำได้มากและเราจะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยมีอยู่ความสุขทางทางการปฏิบัติธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือความสุขทั้งหลาย ไม่มีความสุขใดในโลกนี้จะเหนือหรือเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่คือคำสอนคำพูดของพ่อพระพุทธเจา้าขอให้เราลองน้อมมาปฏิบัติ ด, ดูเหมือนกับเราชิมของเรามีคนเขาบอกว่าอาหารชนิดนี้อ ร, อร่อยอย่าเพิ่งไปปฏิเสธลองชิมดูสักคำสองคาก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี การสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ลองทำดูเราก็จะไม่รู้จึงขอให้ท่านลองไปทำดูกันแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ผิดหวังจึงขอฝากเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสวรรค์ในใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณา